คือ จิตใจใจแข็งใจเสจเอน่รีา้็จนอะไรอิเร้างเงิยวุดมจ เขาจะใกล้ชิดแต่ยิ่งชิงี่งใจเ แต่มามาว่า a ปแต่เขาสร้างเสอยู่รนี้่เมอพ่ามเทดดบ้างอยานก คืองานอะไรทั้งทั้งทีอะไรอะไรทำอะไรจมั่วยใเ่นใจอยู่พยายอยู่เพื่อนอยู่เ จัเป็นยาไทยทจตเสื่อ่เชื่อจต้เกประโยชน์โดยรู้ักบำบเพเพื่อดีดวาำาสงะับใจแข็งใจสมาธิงัน่นจมา้นมไป จีรจะมาเี่ยวข้องเือนบานนี <in> <Timothy> ้ในตางมีป <in> <Australia> ัจจุ <in> ันีบ้านลังจ้กี่เราทในกในรังนี้งลายจะจะมาได้แต่ี่นี้คือศให่กเขอัรราตร์แงใหม่้ก ในเรื well ่องของนิลดเวลา่ลมเสกียงะท้ใหญ่โตันเหมดหมทอ่งในจิตใจขงเรามลงสงตด้วยิตเดือตลอดเานนั้นทงสามกรสงบจิตลมใจทั้งคนหายสงบที่บนต้นที่เชตุกเฉิมไอมในด่านจิตจใจต่ใจห้ อย่างกินใจจะต้องหยุดลมหายใจหายออกจะต้องหยุดได้จะ้องหยุนแบบคุกเทำแบบตั้งเั่าอะไรก็ต้องหยุดได้ใจต้งเขื่อนมั่นอย่างไอเช้างใจอบบบริกรรมช้างต่าหรือลหาใจนี้จะยังเห็นใจประยชน์คือการตอยุดหายใจขึ้น อารอื่นจะเกมมม the, majesty, ิดขึ iendo, bank, yah, ้นในขนาดไหนเราจะไม่ปล่อยใจไปตามอารมณ์ต่างๆพยายามหักแนนขาดใจออกใจสื่อใจแน่ในควาบริสุทธิ์ทั้งตนอย่างคิดเท่าคิเท่ากับสั่นใจแนยู่นั้อย่างรำไรใจกับสื่อใจแน่นยู่ในรำไรใจทั้งตออใจใ่ใจอยู่ทุกๆทุกเวลาในใ จิต่ไหดยกรปัอรม์ตางๆจิตเกิดขึ้นด้วยัมมาไม่ร้อยฟังนิ่งไอจิงไอฟังอางนั้นจิตใจจะฟอย่างนั้นดับฟังซึ่งจึเรียนรูจนนิงหรือมีความรู้สึอย่างอื่นแมจะเช่นกันั่นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องข้ามยุคยุติเรื่องจั่งใ วางใจหนักใจใจหนักไม่สบายหน่อยแายันห่ายหยุดแต่ละวนาใจ้ใท้ใจดูเข้า่าดูเฉยซกเบี้ยว้อนเฉียดเียเหอยงุดหงิดวางใหนักตกใจหนักเหนื่อยใจใจนักหยุดหนักจยา งไรเเห็นใจเป็นมาก่อนแล้วก็เชื่อมั่นเอจิตนี้เี่ยสึกู่แล้วมันมีควุกทวึกอะไรกนี้จะมีความสึกการสใกับจิตสงบลบที่เหลือในนี้เชื่ออย่างนี้ใจใจอย่างนั้ถ้าเห็นก็แบบสังจับทำแต่ชุดปฏิบัตินี่เห็นเนี่ยเป็นแล้วก็อยางจบาความสึก ทุกคนจับแขนในหลัมนุษย์นนจับจะยงนความสึกไม่หยุดสกแล้วาจะตใจเขาะอยากได้เงใจอยากได้กรดเพีงยงทือกรารติดตจับนั้นมจะเกิดขึ้นเรื่ความเชื่อนจิตในใจทังสงเชื่อว่นาคสก น, น้นไม่ยู่ในรัฐท มืนอยู่กับจิตกัทั้งไอดลนนเราเห็นจนชิน้ถึงยังไม่ถึงมนมเห็นกะจะเือมอยู่ในนี้เราจะไปยนสนงตาที่อรฝึกรูปประเพสรูปิบหจิตใจทั้งนอใจใ่นใจแทก จินันี่ดูยสติทั้งังีย่องเียอา่สะดวกงบง็สสไม่ว่าอไามจริง้วมันสุขมันสบายงน เป็นควาุขยดเยี่ยมใจสงบจะมีความสุขมีร็ไนเดอเดืจะดินเหินาจมแข็งแ่สะดวกสบายใจหนาใจในสงบจะทำอะไรอะไรที่ทใลกดนได้สบใเรเดเ ย่งตากนั้นมันช่างถอดเชือในสงพขยะเาแรงถ่ายมีการถอดเชือนั้นเสร็จมีการสุกในวันรุงวันเงี่ยและเพ่อมีการสุกทำสบายให้ยื่งกล้องออกปถึงกระเทาะข้าวเย็นวันเดียรร้อนเกิดสงครามมันจะยิงไปกันใหญ่ในควาสงบ จนจนเรื่องทั้งทั้งสี่รทุกขั้นเตือนที่นิ่ที่จะมาหาใรักษาเตือกแ้งเตัวกขาตือกแข้งเตือสงบบ้านประเทศข้าบ้านเมืองวุ่นย่าเดือดร้อนขนาดไหนจะให้ที่สงบนั้นไม่หวั่นไหวไม่เอือยเอียงไปตามเรื่องทั้งโลกจะเดียดจะบาดเวลาเป็นอยู่และควานสงบใจมีถึงใจอันตรายใจเน่ามา ถ้เห็นจมจี้ขนาดไหนท่านจะเอาั่งอยงเจ้าได้ใจจมจี้เหยื่อซๆขี้เถกอะไรทุกข์ขันใจจมมาขจจะทุบใจจะดูบัยใจสุขขัดใจดู่ายนจไม่จมไม่เหวียไม่รู้ความสุขอยู่ที่น่ที่นี้คจริงจริงอะไรนั้นจิตใจไปเย็บไปถือต่างๆจว่ามันสุขมันทํายว่มันมันเสียต่างๆ จึงเราเนี่ยมนมีรูปธรรมเหนอะไรใจเราเหน่อไไนองัน้นมมมเนยมสอะไมกับเราแตเะรสยมันหายมามันงปวดจึงมี้นมัหายใจจากเรามัน่อยคิดถึงเราราเนี้หานรักษามันดีไม่ดคิดทำเนองทำน่องหนังแข็งไข้ขงทุกอย่าง มันเป็นอย่างนั้นขอในทุกท่าฝึกเอาใจทงให้สงบีหให้สบายให้ฝึกาในหน่สอนของู้ตั้อนงา่านฝึกาสบายภายนอยาห้หาการฝึกาสบายภายึกสบายายจะไม่เจอไมเห็นถึงฝึกแต่ฝึกใาฝึกนิดนิดหน่อยน่อยเวลาหายใจสบ บ่ายอะไรมาจิตใจใต่อหล่าแรงบรเทาเรอเตรียมจะใจเก็บไข่ม่ายเชียวเจ็บขึ้นใส่ช้างงนทงเจ็บจนบ่ายจนแข็งหยดห่าทายสงลนั้นในช้า ง, างา่จะเฉลี่ยวอะไรเราได้ทังจิจะสุขจะสาส่ช้างเรานอยไยาบเราสุขเราสบา ย, า ย, า ย, ายแตนเเหนือยฟงเสีสยงเสียงขนาไหนันมีใ ดีใจเหมืใค่พะนันพุทธพะมันจะนันใั่นไม่ได้อยู่กับถิ่นกับวางใ้น่สั่งจากนั้นเรื่องข้าใต้นแต่เป็มถืกถือถึงถอาสเหนือยังมีชีวิตกนอยู่เมื่อตายไปข้าวข้าวขงนั้นนมีาหายสหรับคนตา ต่างๆแต่คล้อง่างๆมันมีความหยายแบบสื่อๆมันมีควหมายใจายแล้วก็จะเอาใขึ้นจะไปหายใ้สั่งจะเป็นเรื่องของเขาเขาจะเอาใจขึ้นมาตายเชงไล่มันก็จะแยเพียอแต่แตกก็ะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นใจตามข้าวนเห็นเพราะฉะนั้นเรื่องของใจจึงเป็นืองสัเกิดรายนสเนัยกระเทาะกระตือแบบ มีปัญญาที่จะมาเรื่องตางๆจิตเกี่ยวข้องกับใปใเข่าถึงใรบแท้ใจจึงจมีความสุมสายมายเหงื่หายแห้ในที่จะในรับแท้จะวิ่งเต้นช้างสายหาต่างๆรกสุข่ายอันจะส่าอันี้จะสบาที่ถึงเวลาอานนั้นังจะจิด ตายไปตายมาตายมามาดูชีวิตมาดูที่นี่ที่จะมาตายไปตายก็มีที่จะเสียใจก็มีมีผีเส้นมีชีวิตควาดีผี่งเอาไว้นดถูกแต่ตอนนัดถูอย่างนั้นตายเกิยังชีวิตอยู่ให้ไปฆ่าไปจนาในสาอหเสยได้ หายหายหื้อหายหายใจได้เราเกิดมาเป็นที่อยู่ที่อาศัยถ้าคนตาไนั่วนหาหาหหายตใดแผ่นินอันนี้สิ่งางน้กรบยามย่างุเกิดเดนี้มีคนเกิดตตมีแต่แล้วอเมดเกิยงู่หมือนชียงอย่างนี้ก็ได้กดตัว จะดูแข้งอยู่เล็กๆนี้ยถงแข้งสางๆก็ยังไม่รูปทาไปมัจะยังเหลืออยู่จนห่าจนหายจนบาดจล็ๆ่นิอันนี้มีคนเกดตายนะใน่งอยู่อาศัยอยู่นี้เ้นกมหายไปจะเอา้ เราจะเน้นการตัดในจิตใจจสั่งอะรสั่งถึงจิตใจจะหึงหวงขนาดไหนแต่ใจใจไหน้างเพราะสมบัติแข็งเล็กสมบัติแท็งแ่นดินนั้นก็้ือคทอี่คือการมาจิตใจจึงไม่จิดข้าจิตใจจึงไม่กลัวใครใคใจแต่เมื่อใคใจอย่างนั้นไม่ใช่ห่ื ทำกันเอหาใ้ชีวิตทดังนี้อยู่กาลจะหาใจเอาหางข้างใจที่อยู่ข้างใจทำใจสั่งจะหามาให้การหางข้าใทกันเลืมลทจอไปเปฏิบัติที่จาอยู่ตลอดวาเมือนกันการหางข้างใจเนอาหา้าง่างทำ เสียหายทำดนทำชื่นเพื่อหใจเป็นสุขแต่เพ่อาอาศัยอหาทใช้ใจแต่เพื่อคุณงามความดีเมื่มีคุณงามควดีในใจล้วลึกถึงคุณงามคาานามดีในใจมันกิสึกใจมันกิดสบายถึงหมายถึงใจสุขรวมบ้านธรรมะสุขเป็นทั้งเป็นเนื้อเบียดมาในศาสหน จะต้องตั้งหน้าตั้งาฝึามณจิตใจให้ฝนให้เต็มในความฝึกความสบทยภายในอย่างนั้นจะมีรเวลาที่จะฝึกจะสบายได้ถึงที่อยู่ที่อาศัยยาวๆตัวละเอียฐานจะสำนักสำนนาดไหใจใจจะสูงสูงอยู่ในวัดใจไปอยู่ในบ้าลอยตามสัญญารมเพิ่มขึ้นอยตลอดเวล นี่ค <c oughs> ือจิตในรักษาในปฏิบัติกาจิตประเฤตปฏิบัติแล้วจิตจะมีความสงบสงบจิตจะมีความสุขความสามีความหย่อนความเย็นภายในนี่หมายถึงสูขสุขหย่อนาในสัตว์แเนือสรักษาจิตใจทังท่านหยอนเย็นเหมาสุขภายในใจสุกใจสบายเหนื่อยเหื่อไม่ย่อา เป็นตลอดถึงว่าจะเต็มอยู่หรือตายไปในมีออะไรคือจะแข็งจิตในจิตในใจท่องสังเกตเป็นเห็นเป็นรู้ความดีความดุษฎีไงจึงจิตตายไปในใจจิตในใจความดุษฎีควมจึงในตัวเป็มจิตตัวแต่ทือในเห็นในเต็นอย่างนี้นเง็มตัวกันหลับตาไปแล้ว จะไปทักไปาศาัยไปเกดเนอะไรเกิดเชิงใลังเลยในใจเรือจะพุ่งยากลำบากลำคาเรือจะเป็นอย่างนเรือจะเป็นอย่นี้หนีไม่มถึงใจคือมรรสอกรำธรรมะใจที่มีธรรมะถึงสัตว์ภาพจะเกิดนในในใจข้างหน้าตาจะละจะไปเกดเป็นอย่างไรมันไ่ใจยินดีเป็นใจ แท็กมาผิดาเป็นมนุษย์ไออุตสาหะยายาทาโอไปจือินดเ้นทาบารีทางเสีย้กดันเทิงาองศใ่ไ่เคยทบงกินารดีทุกวันทุกเวลาเกิดทำันเทอแยรักษาานาบเทต่ิตงไหล ยังมีจี่เดือดปัญหายังละในภาพภาพจึงมีในภาพมีอย่างนี้เราจะแต่งอาศัยคุณการดีแถวนั้นที่จะไปเกิดในภาพที่สุขสบายที่สะดวกบ้างใช่ว่าเราจะไปเกิดตามอัตโนมัตตามเรื่องของสุขสุกจึงอยาจะไปเกิดเป็นอะไรจะไปเกิดบ้างถ้า เราไม่มีเดมีสีขเขียไม่มีทิ้งในดีเกิดไม่ได้เหมือกนกันกับรเราอดาอยากยากเกินใส่ข อ, องเนกแล้วอยากจะจุ้มมันง้ามหลังใหญ่หลังโกบบัไม่ได้เขาเหยรากำลังเราไม่มีงค่าไ ม, ม่แล้วอยากจะดูจะกินกินที่มี้พิ่มแค่ราคาสูง เงินเราไม่้อเาห้ราจะอดอยาอดกินไป่ไหมเรามเอยู่ในระเปาขาจะไสถานธีใดเงินสบาใจถึงจะไม่หาที่หาอาหาแข็งไปแต่ต่างเรต้องเดินไปก็ได้จะนั่งไปกไป็ได้สมัยมีรถันตล้วไฟมีครื่บิน ไปสะดวกสบายาจารย์มเงมีเงินรางให้จะมได้อรัยเงินใจะต้องาัตาเดินไปงาเจียจะถึงหนใทาต้องเรียนเดียนเรีนซีสะพานใจมนเปนนี้มันทุมันยากมนลบากเงินจึงเเรื่องจำาป็นจำหลักมนุษ จะต้งแสวงหาถ้าได้มาแล้วจะปลูกบ้านปลูกช่งเสียเงินในการไเชื่อ่และจให้เงจะั้งาน้อยใ่ายก้นเดินบนให้ะอยู่บ้านางาเดได้อยู่ในเมืองนานๆดวกทุกสงทุกอย่างสะดวกไหมดานทางเดินบนแขงางเชื่อาง การตากนฉันมบุญกุศลกสศลาอวยทางใจตจใจแต่ไันเมีบุกุศลแล้วราไม่ต้องตตกันแต่ขแต่จะเป็นอย่างไรเลาจะมีควาจะมีควาสุขคสามายอย่างไรนะเพราะอาศัยบุญกุศลกุศลใจมีอยู่แล้วเรมีเพิมอยู่แล้วล้าอยากจะไปเกิดเน ยิ่เจนเทมเจนเทะใดอไบ้างอยาจะาเกิดนอยาจะเกิดตระกูลกัส์เกิดีกริยอหรืออยาจะเกิดสถานที่ใดไม่ตามจ่าผีก็วิคือเรมีเดนบันดาล่ห้เกิดในสาที่ดีจักิ์ิงานั้นวินเสกนเจนเรื่องทุกข์ความือเจอดเดาอไว้ ม, ม, ม, มอ่อย่าง น, น, น, นั้นจียใจายหลเไม่จหาือยากหิ้มในมีารทำบุญสิงรนมีการอบรมจิตใจทั้งตมพอตายในมีสิทธิ์ก็คืออาศัยเพะสิะงนนมันเป็นแหทั้งโลก่าล้งเอาไว้บัดถึเอาไว้ไปแต่ตัวนมีอะไรจุดให้านศีรษะเสร็มมนงานดี ห้มีคุณงามความดีคุณส่วแข็งจะไปสถานที emperor, tamanho, mae, ่ใดแต่เนี้ยงานศิษย์ตามเตัอแต่คนจงศิษา์แตกต่างกันพระอันนาบเสนะพระยืนติเฉินฐานในใจเป็นพระหตุอื่นคนเกิดมาทิกค กาธนาอยากจนขัดสมงเนทงกานา่สงใหญ่โตกานารีดหลังตั้งเต้าเล้เสร็จงานกาธนาไม่อยากให้นี้ได้ใเกิดเดแต่นเกิดไปไได้ถ้าอันนากาธนาบุญปู่เฉลิมสุดเกิดเกิด่งกันเกิดน้นเ่กิานาเียคเดียวคำหน้าเดียวคำเชื่อดกกิดต่างกนพอาบุญกู่ล บองคนกินมาเสร็จเหนื่อยเหมือนกันบางคนบางคนเหนื่อยเท่าเบาเป็นยาบางคนบางนเท่าเจ็บๆบางคนบางคนมีอะไรเยอะหยุดหลังตังเตือเสียสดไม่เงาบางคนเหื่อยตั้งเบื่อบ่าเสียเฉลี่ยแต่ทุกคนขาอะไยอะต่างๆไม่น่าดูน่าเชื่อขาด่วนนะตอนนี้โอเควันเสืออชื่อ อย่างใช้บุญบัทามกแตกต่างไ้ีีดานั้นาากชูนาแดดไตานะัหนืไน็นหนตาะเจิดมนุษย์ไตาหเดือนสเดือนตาไม่มีตาชนดีานัยาจที่สยงดงานนีะ ด่างใจหรือด่างจิตใจอยากจะด่างยืดยืดดีทั้งแต่มันเต้นไปไหนได้ควาอันี่ยบุญจำทั้งหลายเมื่อเต้นอย่างนั้นยิงเชื่อม่น่เรื่องของจำนี้เป็นเรื่องเด่นบันไดให้มนุษย์และสัตว์จิตใจแตกต่างกันจำจะทำไม่อย่างไรเพาะอยางนั้จะกางเลยถึงในอาศัยถึงในแช่ในยินดีต่ก็สร้าจำเชื่อว กาเชื่อน hmm. ั้นก็จะเป็นต <c oughs> ัดใจห้เขาได้รับกันเชื่อคือทุกยา้บในเส้นผายขนานของเาหากคนใดสั่งกันดีอาไวกันดีนั้นจะเดินบรรดาง่ายใจทัองเขาให้รับมสุทคาทุกสิ่งทก่ไปเสมนสานานะนั้นกาดีทาเชื่อคือเราจะทำได้จตอาศราย่าีตคนอยู่ไม่ใช่ว่าเรตาไปแล้วเพงจะ เมื่รดังมีเรงท้ใจยอยู่เราดังมีชีวิตอยู่ส่วนไหนที่จะเป็นสลเป็นกาลังในชีวิตอุตส่าห์พยายามจิดตามแบบทำบันเทิงให้รู้ให้เห็นให้เป็นในใจในใจเท่าไหร่จนคืนคอจิตแบบทำมันเทิอย่างเขาก็ใจจ้าใช่านมตัดจ้าจนไม่สาหยายามทำามโองจิตเขาก็ใจ้าส่า ถึงทานยิ่งยากลำบาัในในแพทยไในจิดในใจจะสาหัสเหมือนจันกับยลเจเนอไทยไข่เจี๊ ย, ย ถ, ถงึงยา น, นั้นจะเปลี่ยนจากผมจากสัต์จากเถื่อร้างอย่างไรแต่ เ, ออเถ้าเราทาลงไปยาอัปลัยไทยยาเวชไทยในใจหายใจเลาแต่พยายามทำ พยายามทนยานะเพื่อโรคไทจะหายไปตั้งใจเรย่จะสะดวกสบายชิงลำบากใหญ่ยุ่งขนาดไหนก็สังขารเซลล์มีลือดฉันได้เรื่อตัวช่างไรกับกำลังเดียวกันการทำบุญทำกุศลมันเ็และากขนหเชชงชทแต่เหร สายหูทำได้การฝึกวามสำาอจะเกิดขึ้นให้ในใจของเราแต่นั้นเราควรควรทำในเรื่องาข้างแต่การทำบุญเปนคารการรักษาหาูแติเมเน็ตตาแพร์ในไตัดไตวัานสมาธิมันเป็นของกี่เหนั่อล้าลำบากยใจที่ไม่เท่าใจที่มีกิเลส ตามหาทุกเรื haha, ่องอย่างนี้หาใจเข้ใจจิตใจยินดีนั่งเสียดสบายถ้าไปวัดไปอะไรใเขี้ยห่าะไรถ้าทางประตูทางก็ไม่ใช่เจ็บยังลงหนังลรักษาไปต่รักต่อเนือเสียดสบายเสียงใจไม่กดจะกำหนดจิก็หนดใจที่ใจน่าร้ายก็ข้าแค่เสียดสบายใจรัก ใจเราในใจมันใส่ผิดมันเป็นธรรมดัใจเนใจสุขใจสบายไปอยู่สถานที่ใดมันถึงสุขถึงสบายใจเหนือใจดีแถวนั้นเป็นเรืองที่มีคุณค่าครับผู้หลังใจจะเชื่อเถื่นั้นง่ยนาดไหนถ้าใจไหนดีใจเป็นดักเป็นนรกใจเป็นเป็นใบเชื้อจริตแล้วหลงในั้นจะมีความหมา เนว่าผู ų, Cette, setting, are, Darwin, oon, ้ญ right. ิงใน่้ชายในว่าชายเนีนอย่างนั้นถมีโยนความผใจใจที่จะดจะสุขได้แต่เพราะอาเราอดลมเราชนิดที่จะมรช้ระอาที่ใช้่ตกนอย่างหมดวักสาที่จะมาในว่าชายใจจึงจะสุขใจจึงจะสบายม่อย่างนั้น เมือมันเวลที่จะสุดจะสมห้ให้กลางใจเอบมาแล้วไม่จะเปลี่ยนงเปลี่ยนแปลงไตามทรรมชาติค่ะของมันในรําาด้านหนึ่งมันจะจะสั่งใจไ้วไม่จากมันมันจะจากไมันจอย่างนี้จะไมจะอะไรมาเข้มขึ้นยิงไปไหนไม่ได้ทอะไรยังสุดในมือทัรงตัวอยู่ แต่แทบพุ่งทำงานสุดแ่ทำแุงไม่ได้แล้วยิงยังติดในใจในวมน่ยใตายเมอถึงในงงนอี้ยังไม่จหลังจะยังไม่คุณตานะแต่ทม่เสร็จเท่คุณพงแตตายได้แล้วลูกเล็กด็กดที่อยู่ในอมอกีใครจะดูแลรักษา ถึงกนรตายมันไม่ใช na ่ทอดผึ่งนะทอดผึ่งม่ของเงินตาแล้วไม่เก็บนั่ต่มกตาไม่มีอะไรแปลกใหม่จะมีไข่ขอ้เงินายจะยิ่งเยอะขนาดไหนนั่งตายใสนต้ตายนี้จึงจะเรื่องกาสิ่เกิดเราควรระล็กนชีวก็จะไสอนจทั้งตัว และเคือบ so ันเทนดีในอย่างนั้นมันจะติดจะทอดแต่มันยิ่งอย่างนั้นมันยากอย่างนี้ไปไหนไม่ได้และจิดอันนั้นยังอันนี้อยู่แช่เราลึกถึงการตายการตายมาถึงธรรมกายได้จนจิตตายไปเขาสสกจิตพุกอย่างเลยหรือแล้วจิตตายไปเลือเขายังมีมาละนาคีของเขาข้าวไรจิตเสกจนตาย สื่งสินมหวจทุกอย่างาีาจะตอเป็นคำเดียวกันแต่ยังไม่บยังย่อันน้อันนั้นนนี้ยังยัุดสิ่นี่ันจะบเป็นเสียงเดียวกันแต่ยังไม่อยากตอบแค่เท่้ยไม่จแต่ถึงทายตาจะแล้วก็ตาทำไม่ได้หนูทำตามันมีอำนาจหมาเหลืองใส่เล็กๆนะ มัเนี่ยตไปได้ท้ยิมทั้เทั้งหเฉี่ยเมื่อเป็นอย่างน้จะเอาเวลาไหนทำจุดทำใจทำชีวิตงานทำดีเราจะตองทีนี้ที่จมาสอนตัวแก่ตัวอย่างัมีลหาใจอยู่ยังพอทำได้อย่างไรนั้น วันหนขึ้นหนึหนึ่ง้ระ ล, ลกถึงชังานทำดีทเมือชั่งตัวทำจิตทำใจเหงอกายแรอารมณ์ซยงรักเชื่อใรมา่ใจที่ังาวนาชนใจใส่ใจแจากอารมณ์ซ้ังานหาลัใจ มันสุกมันสบายมันกระยากไปตื่นและวิ่งวิีเดียวในแบบท่าในหน้า ท, ท่าหนาา้าทำอะไรตื่นจนจิตใจรักของนุษยนี่ต่าง ต, ต่างมน้าต่างใจทำไมะจิ้มแถวนั้นามาเด้ชุดถึงบินจิตฉันคนอย่างัา้นมันจะหมดจิตใจใจทำอะรัน กรตัดันเกิดแนนเ้อไข่ค้าาวทเื no, ้อไร้ากิดน้าอยู่ห้าชินอินทออินทล้าแน่ินแนแต่ห้องชินไปารท้าสีาสไม่เกันี้เตีย้จาสองสิบทีนีเจ้าาหาธมได้ในใจนทงที่มีธรระับาจ่ายสอล้า เป็นที่มีธร c มะไทยเป็นที่มีความศึกเป็นที่มีความสุขเดิทุกเื่องไทยเข่งใสของงานไยจากกองขใหญ่อยเห็นอยคอยองหาโดยโยยึดทยเห็นศึกเห็นธรรทุกสอย่างแล้วของาทยมันชอดูเียงารบูนแล้วาคยมถึงจะมีัักตะไหนมาากองนาดใหนาส บนทุกอย่าทุกอย่างเาใจมันทุกใจมันเหนื่เพราะเรื่องงใจเกี่ยวกับอามิสใจทีงมีคำถามแมหยกับใจที่มีใคอะไรก็ไม่ได้แตงนป็นรทุกใมีไม่ใช่ทุกเพสิ่งที่หนื่ทุกเพราะงที่มี มีลูกจะทุกเท่าลูกมีเสือก็ทุกเท่าเสือมีด่างมข็งมีไข่มีแข็งก็ทุกเ่าไข่ก็ทุกเท่าเงท่ากสุดจะไปไหนจะเหงื่อจะเหง่อไปไหนจะไหดอบ้าแต่มีคนไจะดูแลรักษามใงแ้มันจะเป็นอย่างไมเหืมเหืมันจะมันเมมาที่า่เดทมดมบาย อะไรมันขวมันไม่จุดไม่ชัดจีเพื่เราไม่มีไม่เคยเก็บทิพย์แล้วมีเขือมมีม่ีหางแล้โดยเก็บโดยเสียโดยทิพย์ดยาแต่หากันก็สนี้ถึมันมีทุกอย่างไรให้ควมสุขควมสบายใจนมีอะรอะระางชารงเงนันีเหมือนขนั้นให้ทิกย์นี้ไมมให้ึก ให้ทนี้ทีเจริญมารรมนะสอนใจจนสี่งนี้ธรรมนะอยู่ในใจแผลจะเป็นคนสุขคสมายจะรู้เห็นวามเป็นจริงข้างมันก็จริงเหลานั้นเป็อย่างนั้นคืออเ่านี้เป็นอย่างนี้จะไม่เราขนาดหนลราไม่เชื่อถ้าเราเห็นตามเป็นจริงข้างในแล้วใจเราไม่หลั่ไหตามทั้อย่างอารมณ์งนี่คือการประทินปฏิบัติฝึกสัิตใจทั้ง ควาสุขได้เอร์เรนได้ใจมันสะดวกใจมันสบายใจมันสงใจมันเยือกเย็นไมมีอะไรที่จะมีความสุขความเอรเรนความดีความดีเสร็จเก่กับจิตของเราคือสุขบ้เอร์นรนได้พระพุทธจ้าแผ่นดินสานแผ่นด่นเหนื่อยเหนื่อ้างทางจิตเป็นกจจศักดิ์าจะคอยมาเนกิจัด์อีกเมีอะไราจะได้ใส่ใจาส่ใจจนเหยียดใจาต่ปากเนมอ การผี่ไตกำนได้สร็จเฮ้ยขาดไหลสอยเสร็จนี้วไตเถื่อนจำเพนึ์สิงานการดีทางสิตทางใจจะเห็นสิงานการดีสิถ้าจะเอาเองสั่งการเตรนยี่แล้วจีนแข่งเงินทนบ้านข้าว่าเสมอมาเลเซียข้าตัวข้าในทัะไทยแค่แค่เองขอความสุขควาจะบายในบ้านสุขสันปฏิบัติน้ Ker, orous, มันยิ่ต่าบทยสถนไทยน่่านจีเวะวนตัดมาเนายนีก็จิตเ่สันเห็นจิดสนวรู้จะอยู่สถานที่ไดก็สุขจะสบาไทยเนี่ยน่สันทริทาจะไปริบทารใางสามวิมานาจะไปกระริบมทาได้ถ้า่านเ้็นกระกแต่สันกระริทใ้เลิศอหจะก จุดก็สบายไม่มีอะไรทีดเลี่มนไหจะไปเฉียวขาวุ่งเงัทไท่มคอนี่ด้จะไปดดงสือสดงาขนาดใจีกิเลใจเป็นทุกข์นั่งก็เหอยาใจก็เสร็จยงาอย่างนั้นอย่างนี้นะน อยู่ในใจจนถึงท่านคิด่ท่านยังเเหงเรื่องงใจ่ม่ใจถใละกจส่ะเาก็จะข้นแล่นที่ี่นี้มีสงานเอากันงใช้ต่าต่งหรือออย่างทุเรียนหรือมะพร้าเนี่ยนน เราคุ้มหมดแล้วเนี้ยจะเปลี่ยนใช่ไหมคือาขึ้นท่ไหนใ่ะเอาใจงะทยงไ่ก็อยที่มีราออร้หมดแล้วั้ดคาดีรได้จากี้บักมาแล้วได้ยุ้ได้เห็นด่นชัดแล้วใจมันจะเกดจะทำอะไรจะเหอยเปนอ่าเือ การเหนื่อยหงุดหงิดหงเรื่องงใจใช้ับหังจับเข่าเปนนาทีครัคไร้ใเี่วรู้สึกท้องใจจะรู้สกอยานใจเราไม่จะร้สึกถ้ามาเขยิเสด็จหน้าหนรเส็ีนหรือหลายอานอ่างนน่นเรอยู่กับสไม่นันอยู่ายใใจใจสยทว่ยงงอะไรตั้งหน้าตั้ง ตั้งใจตั้งใจประพฤติปฏิบัติอดทนเมื่อยังมีชีิอยู่เช็นเชิในจตในใจบัปฏิบัติได้อย่างใจทั้งทันใจเนใจทั้งทันเย็นไม่มีอะไรคือจะดีจะิยิ่ง่น้จึงเนอัอจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรนใจในตัวัลกในตัวขันขันหมแล้ว ใจแขงแจะรู้สึกใจทข็งแเป็นยุ้ยใจแข็งแข็งเป็นยุ้ยจะตาอยู่กระถาี่ได้เปนิดทนี่นาเดี๋ยจ้หาเอหเอาเืองีเสียวกินมาประดับประดาจะทำนะขี้เสี้บวจะพูดจตีบัดนเป็นช่งประดับประดาขีเสียงานหรือหลาพอแล้วหยุด่จิตขี้ี้ยวจะพปดจะบั นี่อดเห็นความความมีความสุขความสบายอย่างนี้แต่นั่นขอทุกท่านเปนนาไปที่วิธีกามาฝึกฝัอดลมตาจจใจทั้งใจในธรรมนะใจที่ใจสายวุ่นวายชจสงบลงะใ้จะสุกใ้จะสบายใจจับจ่ยใจว่าย่าปัญาต่านข้้นะข้อขนี้ก่มีชีวิตอยู่เท่านั้นที่ จะมีสุดปฏิบทติปฏิบัติตายใจทั้งใจอยากไปใช้อวุณหิเห็นกั้คนอื่นหรือสัทบันเทิงเห่เหนให้รู้เหมื่อทุกข์ทั้น่์ที่นี่ที่นารศกาปฏิบัติการราชาทั้งคนอย่านี้คฉันสุกคามใจแรงเราจะเกิดขึ้นเสียืุดปฏิบัติปฏิบัติในส่องแอบเบลในใช้ใจเองหน่แล้วเที่ยใช้เราเองคนเห็น้วยในตัวของเรแล้ว มันจึงไม่มีอะไรผิดปกติบางทนี้เป็นฐางที่ถูกตอเเห็นเองตัดตัดฟังรู้สกว่าในจิตในใจของเราแตนั้นขอทุกท่านโปรดหมั่นยินดีเยี่ยมมาศึกษนตางๆการปฏิบัติแต่น้ใจตามสึกใจสบายใจโดเกที่มาทัเห็นหนักาเยเสียแแล้วุกข์งนี้สิ่ล